ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่73โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่73ให้คติธรรมว่าปีโยจะครุภาวเนโย ครูควรเป็นที่รักและเคารพของสิทธิ์อันนี้คือครูคือครูบาอาจารย์คนเราพวกเราเกิดมาในโลกจะไม่มีครูบาอาจารย์ไม่ได้เพราะว่าครูบาอาจารย์คำนี้มันลึกซึ้งมากอย่างคุณพ่อคุณแม่ของเราอันนี้ท่าน เ, เรียกอีกว่า เป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนกระตันยูเราแสดงออกซึ่งความกระตันยูท่านก็บอกว่าพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรพ่อแม่เป็นอาจารย์ของบุตรทิดาคล้ายๆกับว่าพ่อกับแม่เนี่ยเมื่อเลี้ยงลูกมาแต่เป็นเด็กลูกก็ยังไม่รู้จักเรี้ยงสาภาวะพ่อแม่จะต้องสอนก่อน วิธีการกินข้าววิธีการดื่มนมวิธีการนอนวิธีการอาบน้ำวิธีการเอาตัวรอดต่างๆที่จะไปจับไ้ที่จะไปตกที่สูงอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นครูคนแรกของบุตรธิดาคือพ่อแม่จากนั้นก็ส่งเข้าโรงเรียนประถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกตามลาดับขั้น อันนี้ก็คือครูบาอาจารย์แต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าในแถวแนวแถวของพุทธะเนี่ยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายใช่พ่อแม่เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ระดับหนึ่งแต่ครูโรงเรียนสอนวิชาทางโลกนี่คือระดับหนึ่งแต่ครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะให้ละให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรม ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจของเราได้อันนั้นไป็นวักครูที่สูงสุดในบรรดาครูทั้งหลายถ้าว่าครูอย่างพ่อแม่ท่านก็สอนให้พวกเรารู้เรื่องเอาตัวรอดถ้าครูบาอาจารย์ท่านก็สอนวิชาวิชาอาชีพต่างๆให้กับศิษย์ทั้งหลายแต่วิชาของพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้นำมาสอนสิทธิอนุสิทธิทั้งหลายให้ละกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจของพวกเรานี้คือครูยกว่าครูที่เลิศประเสริฐที่สุดเพราะเหตุไรเพราะยกประดับจิตใจของเราไม่ให้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอ่ากว่า น, นั้นขอให้พวกเราพวกทุกท่าน ครูควรเป็นที่รักและเคารพของศิษย์ศิษย์ทั้งหลายควรจะรักเคารพในครูบาอาจารย์เพราะอะ้นเพราะว่าพวกเราไม่ให้ความเคารพในครูบาอาจารย์แล้วแล้วครูบาอาจารย์จะเมตตาสั่งสอนพวกเราได้ยังไงเมื่อครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกเราแล้วให้ความรู้กับเราแล้วเราก็ รักเคารพในครูบาอาจารย์ขอมอบกายถวายชีวิตต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้คือแนวแถวของพระกรรมฐานที่สายหลวงปู่มั่นที่ท่านทึศปฏิบัติกันมาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านเมื่อเห็นพ่อแม่เราก็ถือว่าเป็นครูเราก็เคารพในพระคุณของท่านเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อน คือครูคนแรกของเราเราก็ควรให้ความเคารพจากนั้นกับครูบาอาจารย์ให้วิชาความรู้กับพวกเราแต่ละวิชาพวกเราก็ควรจะแสดงความเคารพแสดงความกตัญจูในครูบาอาจารย์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานอย่างหลวงพ่อเป็นตน้นหลวงพ่อจะน้อมนบเคารพ ในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ลุงพ่อได้เข้าไปฟังเข้าไปศึกษาได้ไปปฏิบัติกับองค์ท่านท่านก็แนะนําแนวความรู้ให้กับเราพวกเราขอซึ้งในพระธรรมคําคสอนแล้วก็นํามาประพุทธปฏิบัติก็ได้รับผลอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเป็นที่พอใจประทับใจอย่างมากเพราะนั้นครูจึงเป็นที่รักเคารพของศิษย์อย่างที่